ข้อความในมิลินทปัญหาหน้าสองร้อยเก้าสิบหกอหิงสานิหะปัญหาพระเจ้ามิลินถามพระนาคเษนต่อไปว่าพระคุณเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพาเสร็จความข้อนี้ไว้ว่าอาหิงสายะจระโลเกปิยะโหหิสิมังมิวะเนี่ยนะแปลว่าจงประพฤติแต่ความไม่เบียดเบียนในโลก ท่านจากเป็นที่รักเหมือนเราเที่ยวหมายคว่าถ้าหากว่าผู้ใดที่ประพฤติแต่อยู่ด้วยความไม่เบียดเบียนเนี่ยนะผู้นั้นก็จะเป็นที่รักคําว่าไม่เบียดเบียนนี้เป็นชื่อของอะไรอหิงสายะเป็นชื่ออย่างเช่นวิหิงสาวิตกเป็นชื่อของอะไรโทรสะถ้าอาวิหิงสาวิตกเป็นชื่อของกรุณาดงนั้นถ้าผู้ใดประพฤติแต่ความการุณาในโลกคือมีแต่ใจกรุณาต่อสัตว์อื่นทั้งหมดเลยเนี่ยนะ ผู้นั้นจะเป็นที่รักเหมือนเราก็เพราะว่าคนเนี่ยอย่างเช่นคนที่เขารักพ่อรักแม่เนี่ยทำไมรักพ่อรักแม่ทำไมเพราะพ่อแม่มีใจกรุณาต่อต่อบุตรฉันใดถ้าผู้ใดดํารงอยู่ด้วยคุณธรรมคือความไม่เบียดเบียนคือมีแต่ใจที่เป็นกรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายบุคคล น, นั้นจะเป็นที่รักเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าที่พระองค์เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็เพราะพระองค์ประพฤต์แต่อหิงสายะคือความไม่เบียดเบียน คือใจที่เป็นกรุณาและยังตรัสได้อีกว่าพึงข่มผู้ที่ควรข่มพึงยกผู้ที่ควรยกเนี่ยนะบอกว่าพึงข่มผู้ที่ควรข่มพึงยกผู้ที่ควรยกตอนแรกบอกว่าผู้ที่ประพฤติแต่ความไม่เบียดเบียนจะเป็นที่รักใช่ไหมอีกที่หนึ่งบอกว่าพึงข่มคนที่ควรข่มพึงยกคนที่ควรยกพระคุณเจ้าชื่อว่าการข่มคว่าข่มนี่หมายาว่าไง ขึ้นชื่อว่าการข่มได้แก่การตัดมือการตัดเท้าการฆ่าการจองจําการให้ทํางานหนักการทรมานจนตายการทําลายเครื่องสืบต่อชีวิตคําว่าข่มนี้ไม่สมควรแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ควรจะตรัสคํานี้พูดได้ยังไงคําว่าข่มข่มเพราะคําว่าข่มนี่ถือว่ารุนแรงมากนะสมัยก่อนก็คําว่าข่มนี่ถือว่ารุนแรงมาก พระคุณเจ้าถ้าหากว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าจงประพฤติแต่ความไม่เบียดเบียนในโลกท่านจะเป็นที่รักเหมือนเราเที่ยวดังนี้จริงไซ dedim. ถ้าอย่างนั้นคาที่ว่าพึงข่มผู้ที่ควรขม่มพึงยกผู้ที่ควรยกดังนี้ก็ย่อมไม่ถูกต้องถ้าหากว่าพระตถาคตตรัสไว้ว่าพึงข่มผู้ที่ควรข่มพึงยกผู้ที่ควรยกดั ง, ง, ดงนี้จริงไซ ถ้าอย่างนั้นคําที่ว่าจงประพฤติแต่ความไม่เบียดเบียนในโลกท่านจะเป็นที่รักเหมือนเราดังนี้ย่อมไม่ถูกต้องแต่ว่าพระเจ้ามิลินให้นิยามคําว่าขม่มใช่ไหมคำว่าข่มของพระเจ้ามิลินเนี่ยหนักนาสะฮัสนะเาว่าไงการตัดมือการตัดเท้าการฆ่าการจองจําการให้ทํางานหนักการทรมานจนตายการทําลายเครื่องสืบต่อแห่งชีวิตนี่แหละเรียกว่า การขม่มนะเช่นต้องโบยต้องเคี่ยนต้องตีต้องสารพัดอย่างอะนะนี่แหละจึงจะเป็นการขม่มเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ามาตรคําว่าพึงข่มคนที่ควรขม่มอันนี้ไม่สมควรนั้นถ้าหากว่าสอนอีกที่หนึ่งบอกว่าอย่าเบียดเบียนกับอีกคําหนึ่งให้ขม่มพึงขม่มคําว่าข่มนี่ก็คือทําให้มันเจ็บปวดแสนสาหัสกับคําว่าไม่เบียดเบียนคือกรุณาที่ไม่มุ่งปรารถนาทุกจะให้เขาแม้แต่นิดเดียวต้องการให้เขาพ้นทุกโดยส่วนเดียว คือมันขัดกันเองว่าอีกที่หนึ่งบอกให้อย่าเบียดเบียนให้มีกรุณาอีกที่หนึ่งบอกว่าข่มก็คือเบียดเบียนประทุษร้ายทําลายโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะเอ๊มันขัดกันนะพระคุณเจ้าเพราะฉะนั้นปัญหาข้อนี้มีสองเงื่อนตกถึงแก่ท่านแล้วขอท่านจงคลี่คลายปัญหานั้นเถิดพระนาคเษนก็ตอบว่าขอถวายพระพรมหาปีติพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพาสิทธความข้อนี้ไว้ว่า จงประพฤติแต่ความไม่เบียดเบียนในโลกท่านจักเป็นที่รักเหมือนเราเที่ยวดังนี้จริงและตรัสไว้อีกว่าพึงคมผู้ที่ควรขมพึงยกผู้ที่ควรยกดังนี้ก็จริงขอถวายพระพ ร, พรคําว่าจงประพฤติแต่ความไม่เบียดเบียนในโลกท่านจักเป็นที่รักเหมือนเราเที่ยวดังนี้เป็นคําที่พระตถาคตทุกพระองค์เห็นชอบเพราะว่าในายสเลคสูตรขึ้นต้นด้วยว่าหนึ่งความไม่เบียดเบียน ชนเราอื่นเข้าจะประพฤติเบียดเบียนเราพึงพึงเป็นผู้ประพฤติด้วยความไม่เบียดเบียนเพราะนั้นพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เห็นชอบว่าถูกต้องไอ้คาว่าไม่เบียดเบียนเนี่ยมันถูกต้องจริงๆนี้เป็นคําที่เป็นอนุศาสตร์แปล ว, ว่าพร่ำสอนนี้เป็นธรรมเทศนาของพระตถาคตทุกพระองค์ขอถวายพระพรเป็นความจริงพระธรรมมีความไม่เบียดเบียนเป็นลักษณะ โดยเฉพาะทำชั้นสูงด้วยแล้วเนี่ยเป็นธรรมที่สงบระงับดับความเบียดเบียนนะนะพันู้ที่บรรลุมรคผลแล้วน้อมไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นมีไหมไม่มีเพราะพระธรรมเนี่ยสภาวะของธรรมที่สูงสุดแล้วเนี่ยจะไม่เบียดเบียนโดยประการทั้งปวงเพราะพระธรรมของพระพุทธเจ้าไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายจะไม่เบียดเบียนแบบนั้นเลยนั่นเป็นพระธรรม คำนี้จึงเป็นคำที่ตรัสไปตามสภาวะเพราะสภาวะแห่งธรรมทั้งหลายมีความไม่เบียดเบียนผู้ที่ปฏิบัติธรรมก็ไม่เบียดเบียนนะโดยอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายและก็เข้าถึงโลกที่ไม่เบียดเบียนเพราะการประพฤติธรรม อันนี้สภาวะธรรมเป็นอย่างนี้จริงๆ น, นะเพราะอะไรเพราะการเจริญในสิ่งที่ควรเจริญในนะกลุ่มภาเวตปรธรรมเนี่ยก็คือเป็นการปฏิบัติเพื่อตัดความเบียดเบียนเพื่อกําจัดความเบียดเบียนที่เรียกว่าหิงสายะเนี่ยนะทำที่ไม่เบียดเบียนคื อ, อหิงสายะแม้แต่ในองค์มร ก, ก็เป็นวิหิงสาวิตกก็สรรเสริญก็นับเป็นวิตกที่เป็นข้อปฏิบัตินั้นผู้ที่ปฏิบัติเข้าถึงมรคนิพานยิ่งไม่เบียดเบียนโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะ ส่วนคำที่พระตถ า, าคตตรัสไว้ว่าพึงข่มผู้ที่ควรขม่มพึงยกคนที่ควรยกดังนี้อันนี้เป็นภาษาเป็นภาษาเป็นโวหารที่ใช้พูดกันขอถวายพระพรยกตัวอย่างเช่นจิตที่ฟุ้งซ่านควรข่มเสียใจที่ฟุ้งซ่านควรให้หมันฟุ้งต่อไปไหมไม่จิตที่หดหูพึงยกขึ้นฟุ้งซ่านด้วยอุทธะพึงข่มด้วยปัตสัตธิสมาธิและ อุเบกขาสัมโพชงจิตที่หดหูด้วยถีนมิทธะพึงยกขึ้นด้วยธรรมวิจยะสัมโพชงวิริยะสัมโพชงและปีติสัมโพชงอ่ะกุศลจิตพึงข่มด้วยสมถะและวิปัสสนากุศลจิตพึงยกขึ้นด้วยวิริยะเป็นต้นนะี่ะอโยนิโสมนสิการพึงข่มเสียโยนิโสมนสิการพึงยกขึ้น ผู้ปฏิบัติผิดพึงข่มเสียผู้ปฏิบัติชอบพึงยกย่องผู้ไม่ใช่พระอริยะพึงข่มเสียผู้เป็นพระอริยะพึงยกย่องผู้เป็นโจรพึงข่มเสียผู้ไม่ใช่โจรพึงยกย่องอนะหมายบรรทัดสุดท้ายนี่ถูกใจพระเจ้ามีดินมัดเอาละ่ะพระคุณเจ้าบัดนี้ท่านได้กลับมายังวิสัยของข้าพเจ้าแล้วถูกต้องเพราะอะไรนะขม่มคนที่ควรขม่มใช่ไหมถูกต้องเนี่ยโจรเนี่ยควรขม่มไม่ใช่หรือ ข้าพเจ้าถามเพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นก็ได้บรรลุถึงประโยชน์แก่ข้าพเจ้าแลวถามเพื่อจะหาประเด็นนี้แหละว่าผู้เป็นโจรพึงข่มเสียเนี่ยฟังมานานแล้วกว่าจะเจอคำนี้สักทีในช่องละถ้าคุณเจ้าผู้ที่จะข่มโจรเนี่ยข่มอย่างไร ขอถวายพระพรมหาบาพิษผู้ที่จะข่มโจรพึงข่มอย่างนี้คือว่าถ้าควรด่าก็ต้องด่าถ้าควรลงทันก็ต้องลงทันถ้าควรขับไล่ก็ต้องขับไล่ถ้าควรจองจําก็ต้องจองจําถ้าควรฆ่าก็ต้องฆ่าพระคุณเจ้าพระถาคตทั้งหลายเนี่ยทรงเห็นชอบกับการฆ่าพวกโจรหรือหาไม่ได้มหาบาพิษไม่ใช่ว่าพระองค์เห็นดีใจอนุโมทนากับที่เขาถูกฆ่าไปเรียบร้อยไหมนะ อา้าวงั้นก็โจรเป็นผู้ที่พระตถ า, าคตเห็นชอบว่าเป็นผู้ที่ควรอนุสาปพร่ำสอนหรืออา้าวงั้นโจรก็ควรสอนสิขอถวายพระพรโจรที่ถูกฆ่าหาได้ถูกฆ่าเพราะตถ า, าคตทรงเห็นชอบไหมพระพุทธเจ้าอนุญาตใช่ไหมโจรยิงได้โ จ, จรโจผู้นั้นถูกฆ่าเพราะกรรมที่ตนเองทําเอาไว้ ก็แต่ว่าตถาคตจะทรงอนุศาสา์พวกโจรด้วยคำอนุาสา์คือพระธรรมเทศนาก็มีบ้างนะที่สอนโจรอ่ะขอถวายพระพรพระองค์อาจจับเอาบุรุษผู้ไม่ได้ทําความผิดผู้หาโทษหาความผิดไม่ได้ซึ่งกําลังเดินอยู่ที่ถนนไปฆ่าได้หรือไม่พระองค์เรียกว่าปราชาที่มียิ่งใหญ่เลยนะอยากเอาใครไปฆ่าเอาไปตัดหัวเลยได้ใช่ไหมไม่อาจทําได้หรอกพระคุณเจ้าเพราะเหตุไรมหมาภพิต ก็เพราะว่าเขาไม่ใช่คนทําความผิดครับคุณเจ้าขอถวายพระพรอุปมาฉันใดอุปมมยก็ฉันนั้นเหมือนกันโจรหาได้ถูกฆ่าเพราะพระตถาคตทรงเห็นชอบไหมนะที่โจรถูกฆ่าไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าสั่งอนุมัติให้เข้าไปฆ่าไม่ได้พูดอย่างนั้นเขาถูกฆ่าเพราะความผิดที่ตนเองทำเอาไว้ก็แต่ว่าในเรื่องนี้ผู้ที่อนุสาโจรจะได้รับโทษอะไรอะไรบ้างหรือคนที่สอนโจรเนี่ยจะมีความผิดไหม ไม่ได้รับเพราะพระคุณเจ้าขอถวายพระพรถ้าอย่างนั้นคําที่พระตถาคตอนุสาสทพวกโจรก็ย่อมจัดว่าเป็นคําอนุสาทาโดยชอบนะถ้ามีการสอนโจรแนะนำโจรเช่อนโจรองค์คุลิมาเนี่ยโจรองค์คุลิมาก็นะว่าเป็นโจรการสอนโจรนี่นับว่าถูกต้องแล้วเนี่ยนะควรควรพระเจ้าไมิลินก็ยอมรับว่าดีจริงพระคุณเจ้าครับพระเจ้าขอยอมรับคําที่ท่านกล่าวมาแล้วอย่างนี้นี้เนี่ยนะนะก็ยอมรับอนะ ก็ทบทวนนะว่าประเด็นก็บอกว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ไม่เบียดเบียนถ้าใครไม่เบียดเบียนก็จะเป็นที่รักเช่นกับพระองค์อีกที่หนึ่งบอกว่าข่มคนที่ควรขม่มอย่างโจรทั้งหลายเนี่ยถามว่าถ้าเขาทําความผิดก็ไม่ต้องทําอะไรเลยใช่ไหมผู้ที่ดูแลกฎหมายบ้านเมืองเป็นต้นเนี่ยปล่อยปลาละเลยไปเลยใช่ไหมก็ไม่ใช่ก็ต้องมีการข่มคนที่ควรขม่มแต่การข่มคนที่ควรข่มเหล่านั้นพระพุทธเจ้าแนะนําให้เขาไปข่มใช่ไหม มันเป็นระบอบระเบียบของเขาอยู่แล้วพระองค์ไม่ได้ไปเห็นชอบว่าเออควรฆ่าเขานะพระองค์ไม่ได้ว่าอย่างนั้นแต่พระองค์มีแนะนำสั่งสอนคนเหล่านั้นไหมบอกสอนนี่นะมันพระองค์ผู้ที่สอนคนที่ควรข่มเป็นต้นสอนโจรเป็นต้นก็ไม่ได้เป็นความผิดอะไรของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระเจ้ามิลินก็ยอมรับ